จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทา ง, งานมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พึงจะกระทาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะบุญกุศลนี้เปรียบเป็นเหมือนปัจจัยสีของใจชีวิตของคนเรานั้น ไม่ได้มีแต่เพียงร่างกายมีร่างกายแล้วยังต้องมีใจด้วยถึงจะครบเป็นคนเป็นมนุษย์ได้ถ้าขาดใจไปร่างกายก็กลายเป็นซากสดไปเวลาคนตายแล้วจะไม่มีใจอยู่กับร่างกายร่างกายก็เลย นอนนิ่งเฉยเฉยไม่สามารถทำอะไรได้เพราะใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายพูดและทำอะไรต่างๆเมื่อไม่มีใจแล้วร่างกายก็กลายเป็นซากศพไป ชีวิตของคนเราต้องมีทั้งกายและใจถึงจะสามารถอยู่ได้ทำอะไรได้พูดอะไรได้การดูแลก็จำเป็นจะต้องดูแลทั้งสองส่วนดูแลร่างกายและดูแลจิตใจร่างกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสีคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เครื่องนุ่งหง่มใจก็ต้องอาศัยบุญกุศลซึ่งเป็นเหมือนปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของใจนั้นถึงแม้จะไม่ใช่เป็นอาหารที่วยูาัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มแต่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นเหมือนกับปัจจัยสี่นั่นแหละเพราะ ถ้าใจไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนกับคนขาดอาหารขาดเสื้อผ้าอภารรสวยงามใสขาดที่หลบหลบพิหลบภัยคือที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคใจใจต้องการยุนกุศลเพราะเมื่อมีบุญมีกุศลแล้วใจจะมีความอิ่ม นำสำราญเหมือนกับได้รับประทานอาหารใจจะสวยงามก็เพราะมีศีลเป็นเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งหง่มใจจะมีที่หลบภัยเพราะใจมีสมาธิมีความสงบใจมีริยารักษาโรคเพราะมีปัญญาปัญญานี้เปรียบเหมือนธรรมโอโสถ ถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆซึ่งเป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ น, นี่แหละคือปัจจัยสี่ของใจคือคือบุญกุศลเช่นการทำบุญให้ทานรักษาศีลการนั่งสมาธิ การเจริญปัญญาการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เป็นปัจจัยสี่ของใจที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ขาดแคลนเพราะขาดแคลนเมื่อไหร่ก็เหมือนกับขาดแคลนทางปัจจัยสี่ของร่างกายเวลาร่างกายขาดแคลนปัจจัย4ี่ก็จะอยู่อย่างยากลำบาก อยู่อย่างทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีอาหารรับประทานครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วถ้าไม่มียารักษาโรคก็จะไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้หรือทำให้ร่างกายตายไปได้ถ้าไม่มีเสื้อผ้ า, าผ่อนใส่ก็จะลาบาก ไปไหนมาไหนก็ไม่อยากจะไปเพราะกลัวคนอื่นเขาจะรังเกียจถ้าไปแบบร่อนจ้อนเปลยกายไปไหนมาไหนก็อาจจะถูกเขาจับเข้าโรงพยาบาลคนบ้าไปก็ได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่บ้าเพียงแต่เราไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่นี่คือเรื่องของการดูแล กายและใจเรื่องของกายนี้เราทุกคนก็รู้เราก็กำลังดูแลกันอยู่เรามีบ้านอยู่อาศัยเรามีอาหารรับประทานเรามียารักษาโรคเรามีเสื้อผ้าไว้นุ่หงห่มแต่ปัจจัยสี่ของใจเหล่านี้เราไม่ทราบว่ายังจะมีกันคบอยู่หรือเปล่ามีบุญมีกุศล คือที่เกิดจากการให้ทานหรือเปล่ามีศีล5ศีลแปดศีลส2งหรือเปล่ามีสมาธิคือการทำจิตใจให้สงบนิ่งให้เย็นให้สบายไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆมีปัญญาไว้คอยตัดกิเลสที่คอย หลอกให้หลงให้โลภให้โกรธให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องควรที่จะคำนึงถึงเพราะถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ให้กับใจแล้วใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่ขาดปัจจัยสี่จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากแนแนแค้น ไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรดังนั้นเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญต่อการหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจของเราด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าเราได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะมาวัดเป็นประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เราก็ควรที่จะรักษาสัจจะเอาไว้เพราะการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น mm hmm. ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเอง mm hmm. เช่นเราตั้งใจมาวัด mm hmm. เราก็จะได้มาสร้างบุญบารมี mm hmm. มาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจ mm hmm. เพื่อใจจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนความวุ่นวายใจเข้ามารบกวนจิตใจถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็ต้องมีความจริงใจคือมีสัจจะไม่ใช่ว่าตั้งไปแล้วก็สักแต่ว่าตั้งส่วนถึงเวลาทําก็ทําบ้างไม่ทําบ้าง ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับผลเท่าที่ควรจะได้รับไม่ได้ครบเต็มร้อยแต่ถ้าเรามีศัจจเราตั้งสัอธิฐานไม่ว่าเราจะทาอะไรสักอย่างในช่วงเข้าพรรษานี้เช่นมาวัดทุกทิตหรือละเว้นจากการเสพชรายาเมาตลอดเวลาสามเดือนละเว้นจากการเล่นการพนัน ละเว้นจากการเที่ยวกลางคืนถ้าเราตั้งสัจจะไว้เราก็ต้องรักษาไว้ให้ได้ถ้าเราไม่รักษาเราไม่กระทําตามที่เราตั้งไว้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้สมเริจผลได้เพราะเวลาที่เรามีความตั้งใจเราก็ ตั้งใจดีอยู่แต่พอถึงเวลาทําเราขาดความแน่วแน่มั่นคงความจริงใจที่จะทำตามที่เราตั้งเอาไว้การตั้งอะไรไว้ก็จะล้มลงไปเหมือนตั้งว่าอยากจะเลิกไม่ไมดื่มชวราก็อาจจะเลิกไปได้วันสองวันพอเกิดความอยากขึ้นมามากๆา ก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องกลับไปดื่มสุราอีกอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีความจริงจังจริงใจต่อการตั้งใจของเราแต่ถ้าเรามีความจริงใจมีความจริงจังกับการตั้งใจแล้วเราก็ต้องไม่ดื่มอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะตายก็ขอยอมตายไป ถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเลิกสุราได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะทรมานในช่วงระยะวันแรกๆท่านั้นเองแต่พอเราห้ามใจไม่ให้ไปดื่มได้ความอยากมันก็จะเบาลงไปน้อยลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหมดไปได้มันจะไม่รู้สึกอยากสุราอีกต่อไปแล้วเราจะเห็นโทษของสุรา และเห็นคุณของการไม่เสพสุราเมื่อก่อนเราเสพสุรานี้เราเป็นเหมือนทาสทุกครั้งที่มันสั่งให้เราไปหยิบสุรามันดื่มเราก็ต้องทำตามคำสั่งของมันแล้วใครล่ะที่จะต้องมารับโทษจากการดื่มสุราก็คือร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองร่างกายของเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง จิตใจของเราก็จะไม่มีสติสตังเดือมสุราไปแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบของความดีงามได้เราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและ ก็อาจจะต้องรับโทษที่เกิดจากการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นเวลาเสียุราแล้วเมาก็ยังขับรถอยู่ขับรถไปก็ไปประสบอุบัติเหตุไปทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตถ้าตนเองไม่เสียชีวิตไปด้วยก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่จากไปดำเนินคดี และต้องไปใช้โทษในคุกในตารางต่อไปนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีความจริงจังจริงใจต่อความตั้งใจของเราที่จะเลิกดื่มสุรายาา่ามึนแต่ถ้าเรามีความจริงจังแล้วรับรองได้ว่าไม่กี่วันมันก็จะหายอยากพอหายอยากแล้วทีนี้เราก็สบายไปไหนมาไหนขับรถเวลาใด เราก็ไม่ต้องไปประสบกับอุบัติเหตุเพราะเรามีสติสัมปชัญญะคบถ้วนบริบูรณ์เราจะขับด้วยความไม่ประมาทเราจะขับด้วยความระมัดระวังเราจะคอยดูข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการชะลอรถหรืยขับรถให้ช้าลงหรือหยุดรถ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องตั้งใจเราต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้เพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกันเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดเราพอตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะนอนไปเรื่อยๆคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปแล้วพออาจจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ อาจจะอยากไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็จะไปตามไปตามความคิดของเราหรือมีใครมาชวนเราให้ไปที่นั่นไปที่นี่เราก็ไปกับเขาอย่างนี้เป็นเหมือนกับเรือที่ไม่มีเครื่องเรือเรือที่ไม่มีหางเสือปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ำปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ความคิดปรุงความอยาก ต่างๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะพาเรือไปสู่จุดหมายที่เราต้องการไปได้เพราะการจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีของเรานั้นเราต้องไปทวนกระแสน้งเราต้องมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ามันก็จะพาเราลงทะเล ถ้าเราปล่อยให้ไปตามกระแสอารมณ์ของจิตมันก็จะพาเราไปสู่อบายเพราะจิตของพวกเรานี้มีกระแสที่ชอบพัดพาให้เราไปสู่อบายกันนั่นเองพูดถึงเรื่องการเสพสุรานี้มันง่ายเล่นการพนันก็ง่ายเที่ยวกลางคืนก็ง่ายแทบจะไม่ต้องสอนแทบจะไม่ต้องบังคับกันเลย สังเกตลูกๆของเราดูก็ได้เราต้องคอยห้ามมันอย่าไปเสพสุราอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวกลางคืนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยสอนให้มันเที่ยวให้เล่นการพนันให้เสพสุรายามเงาเลยแต่มันกลับทำได้อย่างง่ายดายนั่นเพราะกระแสจิตของเขาหรือของสัตว์โลกทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นจะไหลไปทางของอบายมุก จะไหลไปทางสุราทางการพนันทางการเที่ยวกลงคืนทางความเกลียดคร้านทุกคนนี่ชอบความเกลียดคร้านด้วยกันทุกคนไม่ค่อยชอบความขยันหมั่นเพียรกันนี่คือกระแสจิตที่มีอยู่ภายในใจของเราถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไหลไปตามกระแสมันก็จะพาเราไปทางนั้นแล้วก็ชวนเราไปดื่มสุรา เดี๋ยก็ชวนเราไปเล่นการพนันเดี๋ยวก็ชวนเราไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่งานก็ชวนให้เรานอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนั่งๆ น, นอนๆอ น, น, อนกินๆนอนนอนไปวันๆหนึ่งอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนถ้าเราต้องการจะไปสู่สุขติไปสู่พบของมนุษย์พบของเทพของพรหมเทพพบของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย เราต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีการอธิษฐานคำว่าอธิษฐานนี้คือการตั้งเป้าหมายการอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอคำว่าขอนี้ไม่ใช่แปลว่าอธิษฐานนะแต่เราเข้าใจผิดกันเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็อธิษฐานขอจากพระขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ อย่างนี้ขอไปจนวันตายมันก็ไม่ได้เพราะการขอไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราต้องการมันก็จะไม่มาผลมันเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทําของเราเช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดเราขอว่าวันนี้ขอให้ได้มาวัดแต่เราไม่เตรียมตัวเราไม่เตรียมซื้อข้าวซื้อของเวลาถึงเวลาตื่นเราก็ไม่ตื่นเราขอนอนต่อ อย่างนี้เราก็จะมาไม่ถึงวัดเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งจิตอธิษฐานที่เหตุคือการกระทำเราต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่เหตุว่าวันนี้จะมาวัดพอถึงเวลาเราก็ต้องตื่นลุกขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราก็ต้องเตรียมข้าวเตรียมของเอาไว้พอตื่นแล้วก็ต้องรีบแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าขับรถขึ้นรถหรือเอ หรือเดินมาก็ถึงจะมาถึงวัดได้ต้องอยู่ที่เหตุและเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วเราก็ต้องมีความจริงใจมีความจริงจังต่อการตั้งตั้งเป้าไว้ไม่ใช่ตั้งไว้โกโก้ตั้งไวเ้เฉยเฉยแต่พอถึงเวลาก็ไม่ทำตามที่เราตั้งไว้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิด ผลไม่เกิดประโยชน์ตามมาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยากจะให้มันพาเราไหลเราไปสู่อบายไปสู่นรกไปสู่การเป็นเดรัจฉานเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องฝืนกระแสของอารมณ์ที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจเราเช่นการเช่นอบายามุกต่างๆหรือการกระทําผิดศีลต่างๆ เราต้องตั้งใจไว้ว่าจะต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับอบายยมุกทั้งหลายนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นอีกเพราะรักษาศีลและหลีกเลี่ยงอบายยมุกอย่างเดียวนี้เป็นเพียงหยุดไม่ให้ใจไหลลงสู่ที่ต่าแต่จะไหลขึ้นที่สูงได้ก็ยังต้อง มีบุญผักขึ้นไปอีกบุญก็คือการให้ทานที่เรามาให้กันในวันนี้และการภาวนาคือการทำจิตใจของเราให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดความฉลาดให้เกิดความความรู้ทันความหลงที่คอยหลอกให้เราไหลไปตามกระแสของความคิด ไฟต่ำต่างๆ น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะจะขอไปพระนิพพานอยากจะไปสู่การสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วพราะกลับมาเกิดทีไรก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุก์กับการพัดพราจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆ เบื่อแล้วไม่อยากจะเกิดแต่ความเบื่ออย่างนี้ไม่พอที่จะทำให้จิตของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเดินทางและต้องปฏิบัติไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ทางที่เราจะต้องไปนี้ท่านเรียกว่าทานศีลภาวนานั่นเองเราต้องมีทานเราต้องเป็นคนที่ไม่ตนี เราไม่หวงสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนไหนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เราก็เก็บเอาไว้แบ่งเอาไว้แต่ถ้ามีเหลืออยู่เราก็อย่าไปหวงไว้เอาไปทำบุญเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายเขาจะได้มีความสุขและเราก็จะมีความสุขเราจะได้ไม่ ถูกผูกติดอยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานเราเอาเอาเงินติดตัวเราไปไม่ได้เราต้องเอาเงินทองที่เรามีนี้เอาไปทำบุญเอาไปให้ทานแล้วมันจะทําให้เราไปถึงสวรรค์ไปถึงพระนิพพานได้นอกจากการให้ทานแล้วเรายังต้องรักษาศีลอย่างที่ได้กล่าวไว้ และต้องภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบมากเท่าไร่ความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงไปความสุขต่างๆก็จะมีมากขึ้นความอยากต่างๆที่จะผลักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะน้อยลงไปเบาลงไปถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้สงบได้ตลอดเวลาความอยากต่างๆก็ไม่สามารถ จะผลับจิตใจของเราให้ไปเกิดใหม่ได้แต่เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะเราต้องออกมาทำภารกิจอื่นๆมาดูแลร่างกายของเรามาทำงานทำการเมื่อเวลาเราออกจากสมาธิออกจากความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญาไว้คอยควบคุมความอยากต่างๆ ควบคุมความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะปัญญานี้สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นพิษเป็นใครมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเราก็จะไม่อยากได้แต่เราไม่รู้กันส่วนใหญ่เราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเป็นเหมือนขนมเป็นของอร่ อ, อย ได้มาแล้วเราจะได้กินของดีได้มีความสุขแต่เราไม่เคยคิดถึงเวลาที่มันให้ความทุกข์กับเราไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งต่างๆก็ดีบุคคลต่างๆก็ดีเขาไม่ได้ให้ความสุขเราอย่างเดียวเขามีความทุกข์แถมมาให้เราด้วยเวลาที่เขาเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นเสียไปเราก็เสียใจ หรือเวลาที่เขาจากเราไปเราก็เสียใจหรือเวลาที่เขาอยู่เราก็คอยห่วงคอยกังวลเราก็มีความหวงแหนก็เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกันความทุกข์เหล่านี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาเวลามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไรเราไม่รู้เวลาเราได้มาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจ แต่พออยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันก็สร้างความเสียใจให้กับเราหรือมันจากเราไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้หรือบุคคลต่างๆที่เราอยากได้เราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆสังเกตดูทุกวันนี้เราทุกข์กับใครบ้างเราก็ทุกข์กับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ร้องห่มร้องไห้เพราะคนนั้นคนนี้จากเราไปถ้าเราไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงไม่ต้องกังวลไม่ต้องร้องหง่มร้องไห้เพราะเราไม่มีอะไรจะต้องร้องห่มร้องไห้ไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสีย ừ ừ. นอกจากร่างกายของเราเราก็ต้องพยายามปล่อยวางร่างกายของเราให้ได้เช่นเดียวกันเพราะร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดียเยเ๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเดี๋ยวมันก็ตายเราก็ต้องรู้ทันแล้วอย่าไปยึดอย่าไปติดเราต้องยอมให้มันเกิดขึ้นเราต้องพร้อมที่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเราพร้อมแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราที่เป็นตัวเราถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะสงบใจเราจะเย็นใจเราจะไม่อยากได้อะไรนี่แหละคือการที่เราจะสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจของเรา เพื่อใจของเราจะได้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างอยู่อย่างพรอยู่อย่างอิ่มหนำสำาราญใจอยู่อย่างมีความพออกพอใจต้องมีการสร้างมีการบำเพ็ญกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้แต่ควรจะทำให้มากและควรจะทำให้ครบไม่ใช่เอาแต่ทาบุญให้ทางอย่างเดียวศีลไม่รักษา ไม่ยอมภาวนาไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับกินข้าวปลาเปล่าไม่มีกับข้าวกับปลาไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มียารักษาโรคไม่มีบ้านอยู่อย่างนี้ก็ไม่พอเพียงเราต้องมีให้ครบทุกอย่างต้องมีทั้งอาหารมีทั้งยารักษาโรค มีทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์มีทั้งบ้านไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆจากภัยต่างๆถ้าเราทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราก็จะได้มีครบทุกอย่างเริ่มเรามีครบทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ผลที่เราปรารถนากัน ในปัจจุบันเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นและเมื่อตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกเราจะอยู่ในพระนิพพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่แหละคือที่อยู่ที่ดีที่สุดเป็นปรมังสุขขงังนิพพานางังปรมังสุขขงังนิพพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง เพราะไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยและไม่มีความเสื่อมสลายเป็นความสุขไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญบุญกุศลเพื่อสร้างปัจจัยสี่ให้กับจิตใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิพิจนาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป